ปูยเี่ยมองตามรถเก๋งคันงามที่กำลังเคลื่อนตัวช้าๆออกจากลานวัดมุ่งสู่ถนนสายเอเชียโดยมีผ่องพันธ์ทำหน้าที่เป็นคนขับจ้องตาไม่กระพริบเที่ยวนะเสียงพระอุปชาค่อนขอดโถหลงพอก็ผมสงสารเขานี่ครับคนเป็นสิทธิ์ว่า อ๋อสงสารเลยมองตามตาละห้อยเลยไม่สงสารได้ไงล่ะครับหลวงพอ่อผู้หญิงหน้าตาสวยรวยความรู้แต่ต้องมามีเวรมีกรรมพระใหม่พูดจักใจจริงเธอเลือกสงสารแต่คนสวยๆงั้นหรือท่านพระครูไม่หว ย, ยั่วก็ไม่เชิงรอกกลับ หรือว่าลุงพ่อไม่สงสารเขาทำไมจะไม่สงสารก็ที่ฉันยอมตรากตำทำงานจนลืมกินลืมนอนอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะความสงสารหรอกหรือเธอจำไว้นะบัวเหีียวว่าทั้งคนทั้งสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ ล้วนน่าสงสารด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเขามีทุกข์และเราพอจะช่วยได้ก็ต้องช่วยไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามเข้าใจหรื อ, อยังหมายความว่าเราต้องเป็นกัลยาณมิตรสำหรับทุกคนใช่ไหมครับถูกแล้ว ต้องอย่างนี้ถึงจะเป็นสากยบุตรพุทธโอรสขนานแท้เธอรู้ไหมสเสด็กพ่อของพวกเราทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์อย่างเสมอหน้ากันมิได้เลือกเที่ยวรักมักที่ชังแต่ประการใด หลวงพ่อครับที่ผมสงสารสองพี่น้องนั้นไม่ได้แปล ว, ว่าผมเลือกที่รักมักที่ชังอะไรเพียงแต่ผมคิดว่าคนที่มีบุญแล้วไม่น่าจะต้องมีกรรมพระโบเฮียวทชี้แจงนั่นเพราะเธอยังไม่เข้าใจความหมายของกรรมอย่างท่องแท้ฟังให้ดีนะฉันจะอธิบายให้ฟัง คำว่ากรรมหมายถึงการกระทาที่มีเจตนาเป็นพื้นฐานถ้าเจตนาดีกรรมนั้นก็เป็นกรรมดีถ้าเจตนาชั่วก ร, รมนั้นก็เป็นกรรมชั่วดังนั้นกรรมจึงมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกรรม ไปในทางลบคือไปเข้าใจว่าคือบาปหรือความชั่วและที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็หมายความว่าใครทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วเพราะกรรมย่อมเกิดจากผู้กระทา เหมือนสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กฉะนั้นถ้าไม่มีผู้กระทำกรรมก็ไม่มีอย่างแม่หนูสองคนนั่นถ้าเขาไม่ทำกรรมเขาก็ไม่ต้องรับผลของมันท่านพระครูอธิบายละเอียดชัดเจนลุงพ่อพูดเราวกับว่าคนเราเลือกที่จะทำกรรมได้อย่างนั้นแหละครับ ก็ทำไมจะเลือกไม่ได้เล่าจริงอยู่กรรมในอดีตรเราเลือกไม่ได้เพราะมันผ่านพ้นไปแล้วเราต้องชดใช้ไปตามหน้าที่แต่กรรมในปัจจุบันเราเลือกได้บางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้จึงปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมโดยไม่แก้ไขปรับปรุง อย่างเช่นคนขี้เล่าเมายาก็ไปโทษว่าเพราะเป็นกรรมจึงเลิกไม่ได้อันนี้เป็นข้อแก้ตัวซึ่งมากกว่าเพราะถ้าเขาตั้งใจที่จะเลิกจริงจริงเขาก็เลิกได้หรืออย่างคนที่เกิดมายากจนเพราะกรรมเก่าสง่งผลเนื่องจากชาติก่อนๆเป็นคนตรนี เนียวแน่นไม่ทำบุญบริจาคทานเมื่อทำเหตุไว้ไม่ดีก็ต้องรับผลไม่ดีถ้าเขาคิดว่าเพราะกรรมจึงทำให้เกิดมายากจนแล้วเลยงอมืองอเท้าเกียรติคร้านไม่ขวนขวายทำมาหากินเขาก็ต้องจนอยู่อย่างนั้นแปลว่า เขาต้องฝืนดวงใช่ไหมครับคือต้องขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพเป็นการสร้างกรรมใหม่ในทางที่ดีที่เป็นกรรมเก่าก็ชดใช้ไปแล้วคือการเกิดมายากจนขัดสนอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ถ้าเขาขยันหมั่นเพียรจนร่ำรวยขึ้นมาก็ยังตรนีเหนียวแน่นไม่ทำบุญบริจาคทานชาติต่อไป เขาก็ต้องยากจนขัดสนอกีกเงียบกันไปครู่หนึ่งพระโบเฮียวจึงถามขึ้นว่านุงพอครับแล้วเรื่องของคุณโยมสองคนนั่นมีทางจะแก้กรรมไหมครับมีแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเขามีความอดทนพอไหมมีความเพียรถึงขั้นหรือเปล่า วิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการเจริญสติปัญฐาสี่เช่นที่เธอปฏิบัติอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้เขายังไม่สนใจเพราะยังไม่เห็นทุกข์อีกแปดปีคนน้องจะแต่งงานแล้วก็จะเห็นทุกข์ถึงตอนนั้นเขาจะนึกถึงฉันและมาให้ฉันช่วย คนพี่ก็เหมือนกันแต่คนน้องเขาบอกจะมาปิดเทอมหน้าไม่ใช่หรือครับพระบัญเฮียวติงเขาตั้งใจอย่างนั้นจริงแต่เชื่อสิว่าเขามาไม่ได้หรอกเพราะยังไม่ถึงเวลาของเขาต้องรออีกแปดปีถึงมาได้ลุงพ่อครับคุณโยมคนน้องทำกรรมอะไรไว้ครับ ถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ถึงอย่างไรพระใหม่ก็ยังไม่วายสงสัยเดี๋ยวนี้ท่านบอกตัวเองได้แล้วว่าคนน้องน่าสนใจกว่าคนพี่ด้วยเหตุว่าเธอยังโสดหน้าตาของเธอสะสวยสดใสไม่ช้าไม่นานจะต้องเปลี่ยนเป็นเศร้าส้อยเพราะโศกสันต์น่าสงสารแท้ มันพูดยากถ้าจะว่าไปแล้วมันมาจากทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่านั้นแก้ไขไม่ได้คือแม่หนูวันวิไลกับผู้ชายคนนั้นเคยทำกรรมร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนอย่างไรเสียชาตินี้จะต้องมาอยู่ด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนกรรมใหม่ก็คือเรื่องโรคหึงกับเรื่องลูกเลี้ยงแม่หนูคนนี้เข้ามาแปลกตรงที่อยากแต่งงานแต่ไม่อยากมีลูกเลยคิดจะเลี้ยงลูกเขาให้เหมือนลูกตัวแต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเด็กคนนี้แก่ก็มีกรรมของแก่คือแกอยากดี แต่ไม่ยอมฝื้นใจตัวเองอย่าลืมนะบัวเหี่ยวการทำความดีต้องฝื้นใจถ้าฝื้นใจไม่ได้ก็ทำความดีไม่ได้เพราะธรรมชาติของคนนั้นมักจะตามใจตัวเองซึ่งก็คือตามใจกิเลสตัณหาแล้วเธอคิดว่ากิเลสตัณหา มันพาเราไปทางดีหรือทางชั่วท่านถามทางชั่วครับนั่นแหละถ้าใครฝืนใจตัวเองไม่ได้ก็เป็นคนดีไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเอาเรื่องใกล้ๆตัวเรานี่แหละไหนบอกมาสิว่าตอนตีสี่เธออยากนอนต่อ หรืออยากลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานอยากนอนต่อครับแล้วนอนหรือเปล่าไม่นอนครับผมฝืนใจลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานเพราะผมอยากเป็นคนดีครับการทำความดีต้องฝืนใจพระใหม่ตอบฉะฉานเงียบกันไปครู่หนึ่งพระโบเหียวก็ถามขึ้นว่าลุงพ่อครับแล้วคุณยมคนน้อง ทำกรรมอะไรไว้อีกครับปกติคนเราก็ทำกรรมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละบูเหี้ยสุดแล้วแต่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนี่เรายังไม่พูดลึกเข้าไปถึงกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่ากรรมกลางๆคือกรรมไม่ดีกรรมไม่ชั่วหรอกนะเรื่องนั้นมันลึก ึงเอาเป็นว่าขณะนี้เรารู้จักแต่กรรมดีกับกรรมชั่วก็พอการทำกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้ามันแรงมันก็จะให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้ยางหนูวันวิไลเขาเป็นโรคหึงรุนแรงมากก็เลยทุกข์มาก ซึ่งข้อนี้เขาแก้ไขได้แต่ไม่ยอมแก้ไขจะโทษฝ่ายหญิงข้างเดียวก็ไม่ถูกนักเพราะผู้ชายที่จะมาแต่งงานกับเขานั้นเป็นคนชอบทำให้เมียหึงเห็นเมียหึงแล้วเขามีความสุขคือเป็นความสุขของผัวแต่เป็นความทุกข์ของเมีย แปล ว, ว่าถ้าคุณยงเขาไม่หึงเขาก็ไม่มีความทุกข์ใช่ไหมครับแน่นอนถ้าผมเป็นเขาจ้างผมก็ไม่หึงเรื่องอะไรจะทำให้ตัวเองทุกข์เธอไม่ได้เป็นเขาเธอก็พูดได้ลองเธอไปเป็นเขาดูบ้างก็ต้องทำอย่างที่เขาทำเชื่อไหมละ่ะเชื่อก็ได้ครับ ไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรนะเชื่อดีกว่าไม่เชื่อครับเป็นลูกศิษย์ไม่เชื่ออาจารย์แล้วจะไปเชื่อใครที่ไหนผมไม่อยากเป็นคนอากตัอยูหรอกครับหลวงพอ่อดีคิดอย่างนั้นได้ก็ดีขอบคุณครับขอบคุณเรื่องอะไรท่านพระครูไม่เข้าใจก็ขอบคุณที่หลวงพ่อชมว่า ผมดีนะสิครับฉันไปชมเธอตั้งแต่เมื่อไรเมื่อกี้นี่เองแม้หลวงพ่อไม่น่านลืมง่ายอย่างนี้เลยก็ที่ที่หลวงพ่อพูดว่าดีคิดอย่างนั้นได้ก็ดีลุงพ่อว่าดีนะ่ะไม่ใช่ชมผมหรือครับคราวนี้ท่านพระครูถึงรู้ว่าตกหลุมพรางของพระบเหียวเข้าแล้วครั้นจะพูดโต้อตอบไป ก็เกรงจะขายหน้าเพราะเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ของท่านชักมีเล่เหลี่ยมมากขึ้นทุกวันจนท่านตามไม่ทันทางที่ดีที่สุดคือนิ่งเสียแต่เอหลวงพ่อครับพระใหม่เพิ่งจะนึกได้ว่าเรื่องที่ตนกำลังพูดถึงอยู่นั้นไม่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมดังที่พระอุปชาเคยสอน นี่เรากำลังเผลอสติหรือเปล่าครับที่พูดเรื่องของคนอื่นเพราะมันไม่เกี่ยวกับสติปัฏฐานข้อใดเลยทำไมจะไม่เกี่ยวนี่แหละจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานละเพราะถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรก็เท่ากับเรารู้ในขณะนั้นนั้นว่า ของเราปราศจากโมหะเธอรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คุยหรือเปล่าละ่ะบางครั้งก็รู้แต่บางครั้งก็เผลอไปเหมือนกันครับพระโ b เฮียวตอบตามตรงแสดงว่าเธอยังฝึกสติไม่ถึงขั้นจะต้องใช้ความเพียรอีกมากเรื่องที่เรากำลังคุยอยู่นี้ ไม่ใช่เรื่องเล้วไหลไรสาระเพราะฉันกำลังจะบอกเธอว่าหนูวันวิไลนี่แหละจะมาเป็นกำลังสำคัญช่วยฉันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ฉันกับเขาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ก็ต้องมาช่วยเหลือกันอีกพระใหม่ทําตาลุก พูดตะกุกตะกักว่าหมายความว่าลุงพ่อกับเอ่อโยมวันวิไลเคยเป็นไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดท่านพระครูรีปฏิเสธด้วยรู้ว่าพระโบเฮียวเข้าใจไปอีกทางหนึ่งเอาล่ะเมื่ออยากรู้ก็จะบอกแต่เธอต้องไม่เอาไปพูดต่อนะ ใครเขาไม่เชื่อจะเป็นบาปเป็นกรรมกับเขาเปล่าๆ เ, เรื่องนี้ฉันยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเธอรับปากได้ไหมละ่ะว่าจะไม่ไปเล่าต่อได้ครับคนอยากรู้รับคำหนักแน่นท่านพระครูหลับตาเพื่อลำดับเรื่องราวแล้วจึงเริ่มต้นเล่า ชาติที่แล้วฉันเป็นแม่ทัพสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหนูวันวิไลเป็นทหารคนสนิทของฉันในชาตินั้นเขาชื่อนายจันสมแล้วหลวงพ่อชื่ออะไรครับอ้าวก็ชื่อเจริญน่ะสินี่เธอยังไม่รู้จักชื่อฉันรอกหรือ ถึงคราวที่ต้องแก้เผ็ดท่านพระครูก็ต้องทําไปตามหน้าที่ผมหมายถึงชื่อของหลวงพ่อเมื่อชาติที่แล้วนะครับพระใหม่อดคิดไม่ได้ว่ากรรมช่างให้ผลรวดเร็วเหลือเกินหลวงพ่อท่านฉลาดหลักแหลมไปเสียทุกด้านเราอยู่ใกล้ท่านยังรู้ตัวเองว่าฉลาดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เสด็ทุลีของท่านดูสิเมื่อกี้เราหลงลําพองขนองใจ ว่าเถียงชนะท่านยังไม่ทันถึงห้านาทีกลับแพ้ยังไม่เป็นท่าอันนี้บอกเธอไม่ได้จริงๆที่บอกไม่ได้เพราะมันถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ฉันไปพิสูจน์มาแล้วที่หอสมุดแห่งชาติมีชื่อฉันอยู่ด้วยในฐานะเป็นแม่ทัพก่อนกรุงแตก ถ้าอย่างนั้นนิมนต์เล่าต่อเธอครับฉันกับนายจันสมเคยออกรบด้วยกันหลายครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อปีสองพันสามร้อยสิบก่อนหน้ากรุงแตกเล็กน้อยกองทัพของฉันพ่ายแพ้แก่พมา่าเพราะเราขาดขวัญและกำลังใจฉันบอกให้นายจันสมหนีเอาตัวรอดครั้งแรก เขาจะไม่น้ฉันก็ให้เหตุผลว่าถ้าไม่น้ก็ต้องตายแต่ถ้าน้อาจจะไปรวบรวมสมัครพรกคพวกมากู้ชาติบ้านเมืองได้ในภายหลังเขาก็เลยหนีขึ้นไปทางนครสวรรค์ต้องตกระก ร, รมลำบากมากจึงรำพึงกับตัวเองว่าเกิดเป็นชายชาติทหารต้องทุกข์ยากลำบากแสนสาหัส ชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้หญิงเขาเลยไปตายที่นครสวรรค์แล้วก็ได้เกิดเป็นผู้หญิงสมใจเนื่องจากเขากับฉันยังมีจิตผูกพันห่วงหากันก็ต้องได้มาพบกันอีกมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วหลวงพอ่อนี้มาที่นี่หรือครับฉันเป็นถึงแม่ทัพท่านนี้ก็เสียชื่อหมดนะสิ อันที่จริงเรื่องฝีมือฉันสู้พม่าได้สบายมากแต่เพราะขาดขวัญและกำลังใจทำให้ฉันไม่อยากรบอีกต่อไปขณะเดียวกันพวกพม่าก็ใช้แผนสกปรกคือใช้กลศึกฆ่าฉันตายในสนามรบฉันไม่ได้ตายเพราะรบแพ้ทว่าตายเพราะพม่า ใช้กลศึกสังหารแต่ฉันก็ตายอย่างมีสติขออโหสิกรรมกับคนที่ฉันฆ่าและอโหสิกรรมให้คนที่ฆ่าฉันเพราะถือว่าเราต่างทำตามหน้าที่ไม่ได้มีความอาฆาตมาด ร, ร้ายกันเป็นการส่วนตัวก็เลยไม่บาปมากฉันไปชดใช้กรรมอยู่ร้อยกว่าปี จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเธออย่าถามนะว่าไปใช้กรรมอยู่ที่ไหนอย่างไรมันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ฉันจึงไม่บอกเธอและคุณยงขรราบไมครับว่าเคยเกิดร่วมชาติมากับลุงพอไม่ทราบแล้วเธอก็ไม่ต้องไปบอกเขาละครับผมรับรองว่าไม่บอก แล้วเนื้อคู่ของคุณยมเมื่อชาติที่แล้วเป็นอะไรครับก็เป็นเมียนายจันสมถูกผัวซ้อมเป็นประจำแกก็อาคาดบอกชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายจะได้แก้แค้นก็มาตามล้างตามแค้นกันจนได้ยังกะเรื่องนวนิยายนะเธอนะครับผมว่านวนิยายก็คงมาจากเรื่องจริงนั่นแหละครับ ก็คงจะอย่างนั้นเธอเห็นหรื อ, อยังล่ะว่าชีวิตคนเราต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติฉันถึงเบื่อหน่ายการเกิดไม่อยากเกิดอีกเลยแม้แต่ชาติเดียวการที่พระพุทธเจ้ามาบวชก็เพราะท่านเบื่อหน่ายการเกิดใช่ไหมครับถูกแล้วเมื่อพระองค์ตรัสรู้ และได้ยานสามแต่ไหนเธอตอบมาก่อนว่ายานสา ม, มีอะไรบ้างยานสาหรือวิ ช, ชาสามหรือเตวิ ช, ชาใช่ไหมครับนั่นแหละจําได้หรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างฉันเพิ่งสอนเธอไปเมื่อวานนี้เองจําได้ครับยานสามได้แก่ ปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตะยานและอสวัคขยายานครับดีมากลองแปลให้ฟังสิว่าแต่ละยานมีความหมายว่าอย่างไรแปลไม่ได้ครับทำไมถึงไม่ได้ละ่ะก่อนลุงพอยังไม่ได้สอนแปลนี่ครับอ้าวก็ไม่เห็นถาม ฉันกด น, นึกว่ารู้บางทีไม่รู้แต่ผมก็ไม่ถามครับก็ดีงั้นฉันก็จะไม่บอกเอาไว้เธอไปศึกษาเอาเองโทบอกเธอครับหลวงพอ่อผมไหวละแล้วทำาหว้ปลกปลกไม่บอกแน่นอนฉันบอกว่าไม่บอกก็ไม่บอกทำไมฉันจะไม่รู้ว่า เมื่อบอกเธอแล้วเธอก็ต้องย้อนว่าไหนหลวงพ่อว่าจะไม่บอกไงแล้วครับและบอกทำไมจริงไหมคนเป็นสิบเลยได้แต่ยิ้มแย่ๆเพราะตั้งใจไว้อย่างนั้นจริงๆเอาละทีนี้ก็มาต่อเรื่องที่พูดค้างเอาไว้คือเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้และได้ยานสาม ท่งเห็นทุกของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแจ่มแจ้งทั้งของพระองค์เองและของสัพพสัตเมื่อทรงสอนก็ตรัสย้ำเสมอโดยทรงอุปมาอุปไมยว่าในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าจะเอาเข็มแทงลงไปณที่ใดก็มีพ้นหลุมศพของตถาคต หากเอากระดูกในแต่ละชาติมากองรวมกันก็จะสูงกว่าเขาพระสุเมนและน้ำตาที่ร้องไห้คร่ำครวญเพราะความทุกข์ความพลัดพรากก็ยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรมารวมกันตถาคตเบื่อหน่ายการเกิดเซนักตถาคตจะไม่เกิดอีก พระองค์ตรัสเช่นนี้บ่อยครั้งเพื่อให้สรรพสัตว์ได้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารถึงกระนั้นก็ยังมีคนอีกมากที่ไม่เชื่อฟังจึงต้องเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่อย่างนี้มิรู้จักจบสิน้นแล้วหลวงพ่อจะเกิดอีกไหมครับพระลูกวัดถาม ก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยท่านสัมภาต์ตอบเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดมีอะไรบ้างครับมีสามอย่างคือกรมมังเขตตังมีกรรมเป็นเนื้อนาวิญญาณังพีชังมีวิญญาณเป็นพืชและตันหาสิเนหัง มีตันหาเป็นยางเหนียวที่จะสามารถนำพืชไปเพาะให้งอกงามถ้าเหตุปัจจัยสามอย่างนี้มาประจวบ ก, กันเข้าการเกิดก็จะต้องมีขึ้นแล้วหลวงพ่อดับเหตุปัจจัยเหล่านี้หมดหรือยังครับคนเป็นศิษย์พยายามที่จะอย่างรู้ภูมิธรรมของอาจารย์เรื่องอย่างนี้จะไปพูด สุมสี่ม 4, สุมห้าไม่ได้ฉะนั้นฉันจะไม่ตอบเธอถ้าเธออยากรู้ต้องปฏิบัติให้มากๆของอย่างนี้จะต้องรู้ด้วยตัวเองบอกเล่ากันไม่ได้อย่าลืมว่าคติกรรมฐานคือกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากจำเอาไว้ แล้วปฏิบัติให้ได้ตามนี้ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถามอีกเรื่องเดียวเรื่องเดียวจริงๆและผมเชื่อว่าลุงพอต้องตอบได้ไม่ต้องถามเอาละอยากรู้ก็จะบอกให้ท่านรู้สึกขัดเขินได้รู้ว่าพระโบเหียวจะถามเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้แต่ผู้เดียวและยังไม่เคยบอกใครพระโบเหียลจะเป็นคนแรก และคนสุดท้ายที่รู้เรื่องนี้พันยาของฉันเมื่อชาติที่แล้วก็จะมาร่วมสร้างกุศลที่วัดนี้เขาจะมาสร้างหอระฆังให้ตอนนี้เขาแต่งงานกับนายแพทย์เขาสวยอย่างกันนางฟ้าเนี่ยเธอสวยกว่าเมื่อชาติที่แล้วเสียอีกสวยแถวอาภาษราไหมครับพระบุเฮียรหมายถึงนางสาวไทย ที่ชนะการประกวดนางงามจักรวาลเมื่อห้าหปีที่แล้วสวยกว่าสวยกว่าหลายเท่าเลยแหละแล้วยังใจบุญใจกุศลอีกด้วยแล้วหลวงพ่อไม่เสียดายหรือครับที่คุณหมอเข้ามาแย่งไปเสียดายคนเป็นสิบยั่วเยา้าเสียดงเสียดายอะไรกันก็มันคนละพบลดชาติ ถ้าเสียดายฉันก็คงไม่มาบวชอย่างนี้เอาละ่ะไม่ต้องถามอะไรอีกเราคุยกันมานานพอสมควรแล้วเธอกลับไปปฏิบัติต่อที่กุตติของเธอได้มีอะไรสงสัยก็ถามมาอย่าลืมกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากจะได้ไม่ต้องเกิดอีก พระโบเฮียร์กราบเป็นจังค้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงลุกออกมาความรู้สึกของพระใหม่ขณะเดินกลับกุฏินั้นเป็นสิ่งที่บรรยายไม่ถูกมันหดหูขัดข้องและหวิวหวงในอารมณ์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม้จะพยายามใช้สติกำหนดอิริยาบถอยู่ตลอดเวลาหากก็ไม่อาจสลัดความรู้สึกเช่นนั้นออกไปได้จะว่าสงสารสองพี่น้องก็คงไม่ใช่ เพราะรู้แล้วว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมท่านจะต้องค้นพบให้ได้ว่าความรู้สึกที่เป็นอยู่นี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรถึงกุฏิท่านจัดการส่งน้ำชำระร่างกายจนสะอาดสะอ้านรู้สึกสดชื่นขึ้นหากความหิวโหวงในอารมณ์ก็ยังไม่เหือดหายท่านเริ่มต้นเดินจงกรม ตั้งแต่ระยะที่หนึ่งไล่ไปจนถึงระยะที่6ซึ่งกินเวลาประมาณสองชั่วโมงจากนั้นจึงกำหนดนั่งเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิดีแล้วจึงใช้ปัญญาพิจารณาหาสาเหตุของความอึดอัดขัดข้องในหัวใจก็ได้ความว่าคำพูดของท่านพระครูที่ว่าท่านไม่มีเนื้อคู่นั้นทำให้เกิดความรู้สึกแปลกๆนี้ขึ้นสัญชตาตญาณของมนุษ ผู้ทุชนย่อมต้องการมีความรักมีคู่ครองและชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นมีทายาทไว้สืบสกุลเมื่อรู้ว่าดวงชะตาของท่านไม่อาจมีในสิ่งเหล่านี้จึงเกิดความรู้สึกเก็บกดอยู่ภายใต้จิตสํานึกจนกลายเป็นความหงุดหงิดงุ่นง่านอยู่ในจิตใจเออหนอขนาดท่านเป็นชายอกสามซอกท่านยังดํารงเพศเป็นบรรพชิต เจ้าความรู้สึกนี้มันยังทําร้ายท่านได้ถึงเพียงนี้และพวกผู้หญิงซึ่งเป็นเพศอ่อนแอ น, นั้นเล่าหากหล่อนรู้ว่าตัวเองไร้เนื้อคู่จะต้องอยู่เดียวเปลี่ยวได้ไปจนตลอดทีวิตหล่อนจะทุกข์ทรมานสักเพียงใดเล่าหนอ